วันนี้วันจันคิวเทศขอนำนองต่อพระลานใจขอก่แล้วต่อไปความเคารพยังประกรมกพเป็นประธานรงนันานี้ต่อไปความเคารพยังพระเทลานุเถระแล้วเพื่อนจัากาธรรมมิกตกรู พจริพรเจริญธรรมยังแม่ชีบาสงบาสิก า, าทำทุกท่านเจ้านี้ก็เป็นเชา้าวันจันทร์วันที่13สิงหาคมพศ2555 ตรงกับแรม11คำเดือน8ปีนี้ก็เดือน8สองงนไปมาลงมาลงงูใหญ่มาถึงงูเล็กมาลงทองเป็นวันหยุดจดเชอวันนี้วันจันทร์หลายคนก็กรองทยอย กลับกันวันนี้เตรียมทางานทำการเราก็มาทำในสิ่งที่มันมีคุณมีค่าควณแก่ชีวิตของเราจะได้ดำเนินไปอย่างเป็นประโยชน์ประโยชน์ตอนประโยชน์ท่าน กลับไปและดีกว่าเก่าก็คือเรามามืดไปสว่างมาสว่างไปสว่างไม่มาสว่างกลับไปมืดมามืดไปมืดขาดทุนจากมนุษย์หลุดไปสู่อบภูมเปรตานรกอสุรกายเดรัจฉานตกต่ําเสื่อม เปลนไว้ตายเกิดแล้วก็ทุกแล้วทุกอีกไม่เค็ดไม่ลามมาเมื่อไปสว่างเคยทุกยากลำบากมาเข้าวัดเข้าวาวรู้สังเออเห็นทางสว่างยิ่งลงมือปฏิบัติลงไปแล้วมันเกิดกำลังใจขึ้นมาพร้อมเผชิญพร้อมเดินกันไปสู่งานสู่การ สังคมก็กลัวต่างๆอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรกลัวคาดพยาบาทศัตรูทางด้านการค้าธุรกิจแกนหาเรื่องโลกเรื่องสามีเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเพราะเรามีกำลังใจพร้อมเผชิญมันเป็นกำลังของสติพลังของความรู้สึกตัว ฝึกหัดความรู้สึกตัวมันก็เกิดพลังขึ้นมาเรียกว่าพละหรือว่าพรหรรมจรรย์ความเป็นปกติที่มีมากๆากมันเป็นพลังเป็นกําลังเกิดกายมีกําลังขึ้นมาเป็นลณาของตโมโอสดมันก็ยอ่อยยารักษาพื้นฟู บางกายเราเกินสู่ความเป็นปกติจิตใจเราเกินสู่ความเป็นปกติเคยไม่ปกติคิดมากๆยิ่งคิดยิ่งดิน้นยิ่งรัดหมกมุมกมน่มมนวกวนยำคิดยำทำซ้ำเติมตัวเองจนบางทีมีความรู้สึกโอ้หย่ดยากพอรับรู้ฝึกหัดปฏิบัติตนเข้ากรรมฐานเนีเห็น ทำเป็นมั่งไม่เป็นมั่งแต่ก็ยังมีกำลังอยู่ดีง่วงจนหายง่วงเมื่อยจนหายเมือ่อยผ่านได้ผ่านได้คิดมันจะยุงย่งยุ่งยากยากปฏิบัติธรรมต้องนั่งหลับตาในห้องพระต้องเข้าวัดพอเราได้ยินได้ฟังได้ฝึกได้หัดก็เห็นหลักการชัดเจน ต้องเดินยินนอนจะอยู่ที่ไหนทำอะไรมันก็เป็นตัวปฏิบัติทําได้เพียงแค่ให้มีความรู้สึกตัว <Yeah. S 1> บีบตารู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวท้องป่องยุบรู้สึกตัวมาที่นี่เราฝึก <Yeah. S 1> ในรูปแบบที่มันชัดเจนเรียกว่ามีกระสอบทรายก็เตะกระสอบทรายลงไปถ้าเตะถูกก็ขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสูก้ก็อยู่ในมือเราจะบีบก็ตายจคลายก็ลอด ารู้ฉันรู้เชิงฉันเชิงชีวิตก็เหมือนกันเรารู้ลทุกข์เพราะความคิดเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เห็นความคิดชัดเจนเห็นสมมติมันหยัดเห็นลันกณาของประสาทสภาวะที่มันกำลังปรากฏดต่อหน้าต่อตาหาสงสัยมันก็คือความทุกข์ทุกต้องกำหนดรู้ ไปทำอะไรก็ไม่ได้ทุกกําหนดรู้มีกายก็ต้องมีทุกมีจิตมีใจก็ต้องมีทุกต้องแบกแต่เราก็รู้จักหยิบมาใช้ใช้เสร็จระ้ววางโดยปัญญาของเราใช้เสร็จเสร็จแลววางก็ไม่หนักไม่เป็นปาละขันห้ารูปตามนามตามหยิบมาใช้ใช้เสร็จแล้วก็วางไม่เป็นปาละเราก็จึงมีการฝึกขัน จำลองซักซ้อมการยกมือการเดินยังกลมมายิบ ก, กายมาใช้ใช้แล้วไม่ต้องเป็นภาละยกมือไม่หนักไม่เหนื่อยไม่มีพาละก็คือดูรูปวางรูปดูรูปธรรมก็วางรูปธรรมจนทางมันใช้ทางตากระทบกับรูปธรรมมันก็วางรูปธรม ร, ร ม, ก, รรมก็สักต่ว่าเกิดขึ้นไหมโอ้ได้ยินได้ยินเสียงไม่เกิดความพอใจไม่พอใจมันก็เกิดการปล่อยการวางขึ้นมา เพราะามันวางคําด่านั่นนะดาน่าก็เฉยได้เฉยรู้เราจังหวะอยู่มีโอกาสบอกก็จะบอกมีโอกาสชี้ก็จะจี้มีโอกาสนําก็จะนำหมัดเดียวจอดนี่แต่ว่าเราจะไม่ลักษณะทําให้ตัวเองทุกข์เพราะเขาเป็นผู้กระทําหรือว่าเราทุกข์มากๆแล้วก็ไปกระทําเขาเด็ดขาดมันจะเกิดน้ําจิตน้ําใจขึ้นมาเอื้อเฟื้อขึ้นมาเมตตาขึ้นมาให้่ภัยขึ้นมา เราดูเราเราเห็นเราอยู่อาการต่างๆมันมีพาล่าเป็นความทุกข์ว่าอารมณ์ต่างๆการคิดการปรุงกันแต่งหลงข้าไปแล้วเราก็จึงมีความรู้สึกตัวเป็นพลังไปไหนไปด้วยไปด้วยกันนั่นแหละเดินก็เดินด้วยนั่งก็นั่งด้วยรู้สึกตัวรู้สึกตัวมีสติก็อีตัวเดียวกันแต่ตัวรู้นั่ง ตัวสตินั่งตัวหลงก็ไปได้นั่งแต่เมื่อก่อนนะตัวหลงมานั่งประจำนั่งไปก็คิดไปนอนไปก็ฝันไปจะทำอะไรก็ตามมันคิดตลอดแบบนี้เรารู้สึกตัวนะให้สติมันมีอำนาจเป็นเจ้าของพื้นที่ภายในจิตใจของเรามันก็เห็น ส่ตงตามความเป็นจริงของอาการต่างๆลักษณะต่างๆรู้จักตรงนี้น้าจะเกิดประโยชน์เกิดขนเกิดกาสะดวกใจกายก็สะดวกใจวาจาก็สะดวกใจจิตใจใ จ, ใจรู้เท่ารู้่านทาไม่ฝึกไม่หัดนันจะเกิดกำลังขึ้นมาําลักษณะของโลกีโลกียะของโลก ก็คือกำลังของลูกคนเป็นแม่เป็นลูกแม่มีกําลังใจถ้าลูกเป็นคนดีหรือลูกจะดีหรือไม่ดีแม่ก็ยังมีกําลังใจอยูพร้อมที่จะแลกชีวิตให้แม่ตายซะลูกก็มีชีวิตอยู่ให้ลูกหายป่วยซะแม่ป่วยหนักก็ไม่เป็นไรป่วยแทน ลูกขาดจริงใดแม่ก็อย า, ามาเติมเต็มให้แม่เคยาขาดจริงใดลูกจะขาดไม่ได้ลูกจะหิวไม่ได้แม่จะต้องหามาให้ลูกจะร้อนไม่ได้ลูกจะหนาวไม่ได้แม่จะต้องกกให้อบอุ่นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นนะเพจแม่อากาศหนาวหนาวลูกไก่ในวัดเนะนี่ยเยอะแยะหมดตอนนี้กํำลังขันอยู่ ก็วิ่งก็ไปซุกนะลูกไก่นะแม่กบอบอุ่นตัวไหนนอนกับแม่ไม่ได้นอนกางล่างกันมีสิทธิง์งูเงี้ยวเขี้ยวขอไปกินที่นี่งูเหลือมเยอะมันก็เสียวอยู่แม่ก็จึงปกป้องเต็มที่มีกำลังพระลูกยอมตายแทนได้กำลังพ่อรูป หลายคนอยู่ไว้ประมจันไว้ศึกษาปีก้าขาแข็งอาบน้ำก็ไปหนาวเล่น่าไรก็ไม่เหนื่อยทำงานหนักได้มีความอดทนกำลังคือรูปเป็นใบที่กำลังขาขึ้นร่างกายของเรามีเรี่ยวมีแรงพร้อมต้องโลกฟ้างประจนโลกว้างประชนภัยเสี่ยงโชคเสี่ยงอันตรายต่างๆมากมาย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนมันมีอะไรให้เรียนก็จะเรียนละเนี่ยกำลังคือรูปปีกก้าขาแข็งประเเนีพร้อมที่จะเพิ่มลำแข้งเจ้าของกำลังคือญาติเรามีญาติพี่น้องเรารู้สึกอบอุ่นใจไปไหนไม่ว่าเว่ยยามใดที่มันอ่อนลา้าอ่อนแอเปล่าบางก็ใหญ่ใจดีก็หยิบยื่นมือมาช่วย เรารู้สึกมีพลังมีกำลังใจต่อสู้ได้ไหมลมแล้วก็พร้อมที่จะลุกผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์มาก่อนครับพร้อมตางเป็นคนที่สมควรช่วยก็มีความยุติธรรมเกิดขึ้นมาให้คนที่ควรให้ไม่ให้คนที่ยังไม่ควรให้รอจังหวะอยู่แล้วก็เรียกว่ากำลังคือญาติกำลังคือทรัพย์ เราก็มีทรัพย์สินสิงการต่างๆอสังหาริมทรัพย์นะสังหาริมทรัพย์เป็นลักษณะของวัตถุเป็นตัวเงินต่างๆเมื่อไปไหนนะเราก็พร้อมที่จะจับใจ่ายใช้สอยเปลี่ยนลายกลายเป็นดีนเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกตามที่สมมติบัญญัติกําลังทำกันในยุคปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็ทํากันมานานแล้วให้โดยอุปถัมภ์ให้โดยเสน่หาน ให้แล้วก็ต้องมีก็ บ, บุญคุณกันต้องมีการกระตันอยู่ตอบเมื่อให้แล้วี้ยนะอย่างเช่นว่าโจรเนี่ยไปบ้านไหนได้ข้าวน้ํากินเนี่ยจะปนจะรักเล็กกรมวยน้อยไม่ได้เพราะว่ากินข้าวกินน้ําได้เลือดได้เนื้อมาแล้วต้องปกป้องเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรกันไปนะกําลังคือซักเมื่อใดมาแล้วนมันก็สามารถที่จะโดนบันดาล สมัยก่อนก็เรียกว่าทำงานมันจะได้เงินเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขให้เราได้ก็พูดขนาดนั้นก็เลยถือเอาเงินเป็นสลาณะนะสะตางศรนังกัจฉามิพมิสตางกายเป็นโอหังสรนังกัจฉามิเอาเปมนที่พึ่งเป็นเทพเจ้าองค์ที่หนึ่งจงกระตั้งไม่รู้ว่าใครเป็นใครกัน ทิศหกเป็นยังไงบางทีก็เอาสูงลงมาต่ำเอาสัมนาชีพามาเหยียบยำ่ำอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ไปไหนเคยออกหน้าออกตาเอาไว้ข้างหลังลูกเมียเพื่อนฝูงสำคัญกว่าเอาออกข้างหน้ามิตรสหายเอาไว้ซ้ายครูบาอาจารย์เอาไว้ขวาภรรยาบุตรเอาไว้ด้านหลังเบาไพบริวารอยู่ด้านล่างสุดไม่ยกขึ้นมาเดี๋ยว มันจะกลายเป็นลักษณะของการสั่งไม่เชื่อไงแล้วก็ผีก็จะกินเจ้าของตายสุดให้ทลายก็ไม่พอมันก็จึงเป็นเรื่องของต้องรู้จักกำลังที่เราจะต้องใช้แต่ละขณะนะแต่ละขณะนะมันก็จะต้องมีอยู่ในตนกำลังเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคือศีนสศียรนคือความเป็นปกติ ไปไหนต้องไปด้วยความเป็นปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนพื้นดินทุกๆกตารางนิ้วในโลกใบนี้เป็นเรื่องการเคลื่อนไปเพื่อรู้สึกตัวเป็นการต่อยอดชีวิตมามื่อไปสว่างมาสว่างยิ่งไปสว่างดีวันดีคืนเหมือนกับว่าชีวิตมีความหวังนี่ทำผนิพาน ซึ่งเป็นความหมายสูงสุดของอุสรร์หนาเนี่ยมันแจ้งประจักษ์ไปในใจตนเนี่ความเป็นปกติละเกินิพพานความปกตินี่มันปกติมากๆมันก็เห็นชัดทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวแล้วก็จิตปกติอันนี้ความเป็นปกติจะมีอยู่ในความรู้สึกตัวที่เราเจตนาเคลื่อนไหวเรื่อกรรมฐานความเคลื่อนไหวที่มันมีอยู่อ่ะ ตามธรรมชาติก็มีกระพริบตาหายใจลมมากระทบแลืว่าการสั่นสะเทือนหัวใจเต้นตึ ก, ต, ก, ต, กตึ๊กๆึ๊กตึ ก, ต, กตึ๊กมันเป็นตามธรรมชาติการเกงการกลายกระทบร้อนกระทบเย็นมันเป็นตามธรรมชาติเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆเป็นตามธรรมชาติแต่ว่าการที่เราเจตนาเคลื่อนเข้าไปในตัวกรรม๋านที่มันเป็นเรื่องของกรรมที่มันมีเจตนา เป็นตัวนําเจตนานะมันคือกรรมกรรมก็คือเจตนาถ้ามีเจตนาแล้วมันเป็นกรรมถ้าไม่ไเจตนาไม่เป็นกรรมมันก็มีผลนําไปในทางดีทางชัว่วแต่เรามีสติมีปัญญาเนะี่ยมันจะนําไปในเรื่องการหลุดพ้นทําเป็นธรรมชาติคิดพูดทําเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์บริเวณ์สิ้นเชิงมันไม่เป็นคุณเป็นโทษ มันเป็นเรื่องของความหลุดพ้นใจเป็นหน้าที่หน้าที่คือที่ติมอยู่ตรงหน้านคนตรงหน้าสำคัญที่สุดเนี่ยเวลานี้เวลาที่ดีที่สุดขนขณะนี้เป็นปัจจุบันมันเป็นชีวิตจริงของเราอาดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มามันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่เราก็หยิบ ม, มาใช้บ้างคำพูดทุกคำก็มาจากเดือนั่นแหละก็เรียกว่าอาติตังกยาน แต่ถ้าไม่รู้ถ้ า, ร, ถารู้ทานก็พูดไปเพื่เอเจ้าสอ่อเสียดคำหยาบโกหกเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของอันธพานที่มันก่อภพก่อชาตินับไม่ถ้วนต่อไปเป็นกรรมเป็นวัจีกรรมวัจีทุจริตเพื่เอเจ้า ส, ส, ส่อเสียดคำหยาบโกหกเน่ยมันก็ตกกระแทกไปเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เราใช้เป็นความบริสุทธิ์ธรรมดาธรรมดาเมือเ่อจึงเป็นเรื่องที่น คนศึกษากันธรรมะธรรมชาติของกายของวาจาของจิตใจคือความเป็นปกติในกายในวาจาในจิตใจก็เรียกว่าศีลมันก็มีกําลังเป็นศีลก็คือความเป็นปกติศีลมาจากคําว่าก้อนหินก้อนหินไม่หวั่นไหวเพราะสายลมแสงแดดผู้มีปกตินะมีศีลก็ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสมมีทุก มันรู้อยู่สัตวว่าสัตวว่าอยู่ตอนนี้แหละมันจะปรากฏขึ้นมาเป็นปัญญาแต่ว่าเราเข้ากรรมาฐานเดินโงกลมแล้วยกมือสร้างจิตว่าดีๆเปรียวๆไม่ต้องเอาความคิดดีทำดีมาผสมแอ้นนั้นเป็นอารมณ์บุญมันจะเกิดอารมณ์บุญขึ้นมามันก็จริงอยู่ละช่วยทำดีชำระจิต จะชำระจิตใจก็ต้องทําดีระลึกถึงบุญนะมันก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อนะเนื่องหน่ายแล้วว่าต้องทนทุกขนะ์ต้องทํากรรมฐานแล้วก็ต้องทนนะกับการกระทําที่เราเคยทํามามาในรูปรอยของการคิดคิดไม่ดีปรากฏในบางทีทํากับลูกปรากฏขึ้นไหมดีทํากับพ่อกับแม่ปรากฏขึ้นมามมันมันรุ่มร้อน มันกวนกไไวใจมันครับอกคับใจมันก็เลยกลายเป็นครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอยู่ค้ามฐ า, านนิดเดียวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จึงต้องไปทำดีกรบลบล้างก่อนจะลองทำอะไรกรบไปก่อนอะไรที่ยังไม่ได้ทำดียังไม่เคยมีปิติความอบอุ่นความอิ่มความสดชื่นแจ่มใสหลังจากที่ทำดีจะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากมๆา แต่าถ้าเราติดก็แหวนก็กลายเป็นติดสุขเหมือนกันพอเราอยู่กรรมฐานแล้วก็เห็นว่าเออคิดดีอึดอัดก็ไม่เป็นไรกืนฝืนๆทนๆนชว้วิบ า, าใกใช้กัรไปตาเมโสภูเพก็แต่เหตุตกสู่ทุกขังในคัจจติโปรานกลางกะตังป่าปางตาม เ, เมเมื่อเจออีนงังก็คือขณะนี้ไม่ว่าเรากำลังสุขหรือทุกข์โดยเหตุที่เคยทาบุญทาบาปมาแต่ก่อน ก็ให้ตนนะชื่อว่าเรากําลังใช้นี่ชนิดประดุษบ้าเรากําลังใช้นี่ใช้นี่เวน้นนี้กรรมมาชนิดมันก็มีแต่หมดไปหมดไปหมดไปชดใช้ไปชดใช้ไปกระจายสกหลายกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวที่มเต็มพื้นที่ความเป็นปกติที่มันเต็มพื้นที่ก็คือศีลภายในจิตใจเราก็ได้รู้ คุณค่าเห็นคุณค่าของธรรมรถที่มันมีอยู่แล้วตามกฎของธรรมชาติได้เราได้สัมผัสตรงนี้แหละเราจะเกิดความเชื่อสำหรับเป็นพนลังไปในจิตใจเจ่อว่าอ๋อทำกรรมฐานนี่มันผ่าพนทุกข์ได้จริงๆความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆถูกแก้ไปด้วยกันเปลี่ยนวิธีคิดข้างในนะันหรือนะกลับมาสู่ บ้านเอากลายเป็นวิหารแล้วทำสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะคิดดีก็ไปเอาคิดไม่ดีก็ไปเอาเนะคล็ดลับของความไม่ทุกขนะ์อยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากจะคิดกับเป็นหน้าที่การงานนะคิดแบบเป็นธรรมชาติธรรมดาบริสุทธิ์เรามีนี้ใส่มีอบนิสั ย, ม, ย, ม, สยมีวาสนามีบุค ก, กรรมแล้วก็แสดงออกเปิดเผยเปิดเผยไม่ต้องปกปิดซ่อนเล้น เปิดเผยออกมาเพื่อให้กลไกของวิปลากของกรรมมันปลดปล่อยออกมารเราก็มีผู้รู้วีนญูชนดูอยู่เอยจะสอนจะบอกเราก็เห็นนิมิตแล้วจะไม่ได้ปล่อยกันทิ้งปข่อกันกว้างพลังคือปัญญาพละให้สีห้านี่มีจาก็ต้องบวกปัญญาปัญญาทีนี้ ถ้าเรามีปัญญามากๆเราจะมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีปัญญาแบบปัญญาเฉโก้รู้แต่รู้ไม่ถูกอันนี้มก็จะไม่ได้ฟังใครแล้วพระพูดขระดัไหนหน่าเชื่อถือขระดัไหนมันก็ไม่ฟังแล้วจะดีเชื่อกับตัวกูเนี่ยมันเคเป็นเรื่องของตัวเองที่ต้องจัดการกับตัวเองอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในฐานะของพระครูบาอาจารย์ต่างๆหรือวพ่อแม่จําเป็นต้องชี้ต้องนําต้องบอกต้องสอนกัน แสดงออกเพื่อให้มันเกิดการถ่ายทอดความดีความงามความจริงโปรดได้ฟังทําให้ดูในประเภทนี้เราก็จึงเอาแบบเอาอย่างกันคนดีคนดีก็ไปหาคนดีคนไม่ดีก็ไปหาคนไม่ดีขี้เล่าไปหาขี้เล่านักการบัรนานก็ไปหาการบันดานตอนนี้หลายคนที่มาเล่าก็แน่นอนที่สุดเพิ่มสิติ เขายาวเราบ้าระวังกันไม่ให้ตายห้ามตายเขตห้ามตายเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ได้ฟังกันก็คือผู้รู้ตีเตือนแล้วตีเตือนอีกตีเตือนโดยศีลได้หรือไม่เราใข้ควรแล้วใข้ควรอีกผู้รู้ตีเตือนเราโดยศีลได้หรือไม่ตัวเราเองตีเตือนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่เราก็ใช้ สติสินตมาทิปัญญาในตัวเองหรือว่าผู้อื่นบอกนะมีศรัทธาลงไปก็ต้องบวกด้วยปัญญาเชื่อกรรมเชื่อการกระทำํนะำกรรมฐานพาพ้นทุกจริงๆอย่างนี้นเป็นต้นมีความขยันเมืนะ่อเรารับรูนะ้ประเด็นของการกระทํานะเช่นกรรมฐานนี้ให้ใจมีสติกัวใจมีความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวเนะี่ยขยันมันหยอดเงินใส่กระปุกนะ รู้สึกขนาดหนึ่งก็เหมือนหยดเงินบาทหนึ่งใส่กระปุกเดี๋ยวก็เต็ม อ, อมสินมีสลืงพืนมันจบให้คร บ, บา่านใ้ายการสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยกระจายน้อยก็บัรจงจะจ่ายลงให้มากจะยาก น, านั้นมันก็จริงเมื่อเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมีความสำรวมระวัียงมันก็โต ว, วันโตคืนโตริยะก็ต้องบวกที่สมาธิถ้าสมาธิมากก็ไม่เคลื่อนไหว ถ้เคลื่อนไหวมากๆไม่มีสมาธิมันก็ทําไปอย่างนั้นแหละเดินก็จกัดรั้ว ก, กหนดตัวรู้ไม่ได้บางทีเดินมากๆเป็นการแค่ออกกําลังกายเฉยๆก็คือเดินล้ำตื่นตัวดีเนื่องจากสารอะไรล่ะเอนโดฟินมันหลังออกกําลังกายเกินสินาธีขึ้นไปรั้วนั่งสมาธิน่ะนิ่งๆจิตนิ่งๆ จะประมาณสี่นาทีจะมีสารสุขหลังอันนี้พิสูจน์กันแล้วทางวิทยาศาสตร์มันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์พุทธวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะนำมาให้เกิดความเชื่อเห็นจริงตามได้ไม่ใช่ว่าเขาพูดไปลอยๆมันมีหลักฐานอยู่อ้างอิงได้เพะฉะนั้นลนักษณะของสมาธิามีความสุขก็ต้องบวกด้วยลักษณะของความขยันหมั่นเพียรริยะลงไปมันก็จะสมดุล ถ้าขยันมากจะไฮเปอร์กรรมฐานไฮเปอร์หลุกหลิกล็อ ก, กล็กล็อกแล็กล็อกล็กลกไม่ค่อยอยู่นิ่งอะปรแบบนี้แล้วก็ก็ยังยุ่งเหยิงสุดสับสนอยู่เวลาพระครูบาอาจารย์ถ้าไปสอบก็สอบตกก็ยังอารมณ์ปี๊ดอยู่วีนแตกเวลาทุกข์ก็ทุกเว่อร์เอรมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดูกันไม่ยากหรอกแต่ถ้ามันมีริยะ เบกิกสมาธิอยู่พอดีพอดีสมดุลเนี้ยจะเป็นการเคลื่อนตัวแบบดูงดงามเดินเนี่ยเดินแบบงามมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายคือไม่เหมือนกับว่าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวจ้าถ้าเร็วว่าถ้าหมายถึงว่าบางทีเดินเร็วเดินช้าก็หมายความว่าแก้อารมณ์ตัวเอง มันง่วงเนี่ยจะไปเดินช้าๆได้ไงก็ต้องวิ่งแหละบิ่งกับมาทานหรือบางทีมันชัดเจนขึ้นมาแล้วก็เดินแบบเหมือนกับว่าเออแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเน้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันรู้เบาๆแต่มันรู้ชัดเนียสติมันตื่นอยู่เหมือนมันคัดตัวจงเต็มทัดนะหรือบางทีก็วัดแก้มจงแล้วก็เราก็อ่านตัวเราเองออกด้วยเหมือนการอ่านหนังสือเราอ่านออก หดือทีเราก็เขียนบัตรไปเลยแต่ก็ยังอ่านออกอยู่ดีจาบความรู้สึกตัวได้อย่างนี้เป็นต้นจุดสติก็คือลักษณะของอันนี้เป็นธรรมที่เป็นหัวหอกเป็นตัวนำการกรู้รนะู้สภาพธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมารูปธรรมนำธรรมอาการต่างๆของกายของใจเราที่กำลังแสดงออกเดินนั้นๆปวดก็รู้แล้ว หรืองทีความง่วงเกิดในจิตความเบื่อเกิดในจิตก็รู้แล้วความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วเมื่อจะเกิดพลังขึ้นมาพอมีลักษณะของการสัมผัสลงไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสียพอเห็นพลังของต่ตัวพลังศรัทธาเป็นอย่างไรพลังของปัญญาเป็นอย่างไรพลังของความกระยันเป็นอย่างไรพลังของสมาธิยยยยยยาปาเป็นอย่างไรพลังของวิริยะเป็นอย่างไระมันก็จึงเป็นพลังน เดี๋ยวเราเห็นว่าผู้หญิงนี่ปฏิบัติทำค่อนข้างจะเนีนมากแล้วก็ทำกันอย่างขมักขม้นเป็นก่อเป็นกรรมเวลาทําสั่งอะไรให้ทำเนี่ยทำจริงๆริงบอกอะไรเชื่อสนิทใจอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุเพราะว่านิสัยผู้หญิงนี่เป็นนิสัยที่อ่อนโยนเป็นนิสัยที่ถ้าทําอะไรก็เรียกว่ารับผิดชอบธรรมชาติมอบให้น มีความอดทนสูงเช่นเวลาท้องเก้าเดือนอดทนมากที่จะอุ้มลูกมีน้ำหนักอยู่ในท้องเนะยบางทีน้ำหนักลูกสองโลจุดห้าขึ้นถึงสามโลเนไหมบางคนว่าน้ำหนักขึ้นมาเกือบยี่สิบกิโลบางคนในท้องมีแต่น้ำมันมีน้ำหนักเกิดขึ้นมาก็ทนแบกทนอุ้มปวดหลังปวดเอวเวลา มีน้ำหนักของลูกอยู่ในต้องมันมีความอดทนสูงเวลาคลอดเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะต้องโห โ, โดนหมอกรีดมีดลงไปจีดยาชาต้องปวดเวลาจะคลอดเองอย่างเงี้ยเป็นละลอกเป็นละลอกเป็นละลอกมันต้องใช้ความอดทนสูงยิงเวลาคลอดออกมาแล้วต้องเลี้ยงลูกนี่ต้องใช้ความอดทนสูงนะ ต้องตื่นเป็นเวลาสองชั่วโงตื่นทีให้นมสามชั่วโงตื่นทีให้นมนะต้องเจ็บปาดแผลต้องปวดหลังปวดเอวแล้วก็ต้องทนบางทีก็ทํางานไปด้วยหุงข้าวหุงปลาซักเสื้อซักผ้าวาดบ้านถู บ, บ้านต้องใช้ความอดทนสูงมากเพราะนั้นเวลาทําความเพียรนก็โอนไหวกิจมาเคยอทนอย่างไรมันก็ทนอย่างนั้นเราก็เห็นโอ้อย่างนี่เดินเก่ง ก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าหญิงทำไมแก่ง่ายตายช้านะทนจริงๆผู้ชายนี่นิดเดียวเจ็บปวดนี่ตายเลยตามโรงพยาบาเลเนี่ยนะหรือว่าเราเห็นนะยเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นโรงแรมรอยัลพาซาที่เคยถล่มลงมาครผู้ชายตายเรียบเลยแต่ว่ามีครผู้หญิงคนหนึ่งอนะ่ะเจ็ดวันก็ยังไม่ตายเนี่ยจะต้อเจาะ่อๆๆลงไป หน่วยกูไปเจอนอนร้องเพลงเนี่ยมันแสดงถึงธรรมชาติที่มีความอดทนสูงพระจันทโทรพระสัศยโยพระสมณพรามมนาพลังเวลาสมทศัศนะพระราติีพระมิติโยอันนี้เป็นคําที่พระเจ้าชื่นชมชื่นชมสตรีวะพลังของจันโทรพระจันทร์สุริโยพระอาทิตย์พลังของสมณพราหมณ์พลังของชายฝั่งทะเล สายลมแสงแดดหรือว่าน้ํำพลังเหล่านั้นสู้พลังในตัวของผู้หญิงไม่ได้นผู้หญิงจะเป็นผู้ที่มีพลังสตรีฤฤฤฤฤฤแต่ว่าก็เสียก็คือผู้หญิงจะจุกจิกนิดนึงลักษณะของมีความโกรธโตสะจริตหงดห ง, งิดง่ายผู้ชายก็ปล่อยปล่อยวางๆแล้วก็รักสวยรักงามราคะจริตสูงผู้หญิงจะเป็นอย่างนั้นผู้ชายในใจยังไงก็ได้ง่ายๆไม่มีอะไรมาก ท่านก็จึงเห็นว่าบางทีนะการแหธรรมเนี่ยคนที่รู้นะีแล้วก็ทํารัดรัดสั้นๆเนนะีก็จะเห็นมีผู้ใจนะเยอะนะอย่างเช่นหลวงปู่เทียนเป็นต้นใช้เวลาอยู่สองวันสองวันกระใจสภาพทำหลวงพ่อขมเขียนเนี่ยท่านทําอยู่สองปีเสร็จเสรก็เจ็ดเดือนถึงแปดเดือนระหว่างเนี้อันนี้เคยได้ยินจากปากของท่านจริงๆท่านพูดอย่างนั้นอีกหลายคนหลายท่านน ที่มีความสําเร็จดในพรมลมเบื้องต้นรูปนาณานะชัเวลาอยู่สั้นๆไม่นานนะคนที่จะรู้บารมีเมื่อบ่มเพาะมาพอเพียงแล้วก็มาสร้างบารมีถึงไม่มีก็ตามมีความอดทนอกัน้นมีสติลงไปมีปัญญาลงไ ป, ม, รรงไปมีความมีขยันลงไปตั้งใจทําลงไปสมาธิแล้วก็ ร, กรู้รู้ให้ถูกฐานมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทําได้แน่นอนอย่างเนี้ยนะ อันนั้นเพราะนั้นให้เราได้เหมือนกับว่าใช้โอกาสนี้นะมาเที่ยวกลับวันนี้นะหรือว่าที่อยู่ที่นี่ต่อไปนะก็ขอให้ทุกๆขณะนะเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปฐานอยู่ในชีวิตประจําวันของเราจนตั้งเห็นความเป็นปกตินะยิ่งยิ่งขึ้นไปตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทัวนาการทุกท่านทุกคนนั้นเตอร์กลับมพร้อมกัน